ซจึงได้เปมาเอียมมาเห็นตอนไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนาไม่เมาและไม่เห็นมาแต่พอเมาเห็นเราโตผาชมว่าสวยตรงมาทักผ้าขาดตั้งสอบยังบอกน่ารักนานเพราะหนักสุราอัตกต า, าตามยงยหมูโป เมาทีไม่เมาน่ะไปไหนนาหรือตอนไม่เมาที่มีสาวจะนั่งจักราเจอเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเขาไล่ถึงมาทำ็นฉันเอ็นมาสบเอ้าซบก็ซบเอ้าซบก็ซบอื้มสิรลบขาตาอ่ะแต่ยง โบ้ทักดอ